มาจะมีโอกาสได้พูดสักครั้งหนึ่งส่วนมากก็จะสวดมนต์คัดธรรมะดีๆมาสวดทุกวันวันนี้ก็จะพูดเรื่องอธิสงของการฟังธรรมเพราะบางคนเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้การฟังธรรมเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยจะมีส่งมากและเห็นผลทันทีแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเนี่ยเราจะไม่เกิดประโยชน์เลยสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนเนี่ยบรรลุธรรม เพราะการแสดงทําของพระพุทธเจ้าและภาษาวกมากมายเพราะว่าขณะนั้นก็ถึงพร้อมแล้วและตั้งใจฟังบางครสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนทิฏฐิเราได้นะจากความเห็นผิดไห้เห็นถูกอันที่สงห้าประการนี้ก็มี1อาจจะจะทําให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังสิ่ง ท, ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอันที่สองข้อที่สองถ้าเราเคยได้ฟังแล้วได้ยินแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นอันที่สองข้อที่สามจะทำใหเราหายสงสยัย เพราะคนเราเนี่ยจะขี้สงสยัยอธิสงข้อที่สี่เนี่ยถทำให้เรามีความเห็นตรงมีความเห็นถูกต้องอธิสงข้อที่ห้าจิตของผู้ฟังธรรมเนี่ยจะแจม่มใสถ้าตั้งใจฟังเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยอกุศลจะไม่ให้เข้ามาจะทำให้จิตแจม่มใสเบิกบานอันนี้คือการอธิสงแบบเห็นผลทันทีเลยจะพูดถึงข้อที่หนึ่งก่อนบางครั้งเนี่ยเราสามารถได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ ซึ่งครูบาจาแต่ละท่านเนี่ยจะพูดได้เหมือนกันการใช้ภาษาสำนวนบางครั้งก็ฟังง่ายบางคนบางคนก็ฟังยากแต่บางคนก็ฟังคนที่ฟังยากง่ายก็มีนะเพราะว่าอยู่ที่ตรงอรจริตด้วยแต่ถ้าเราฟังหลายคนเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาคือฟังไว้ก่อนฟังบ่อยๆคําบาลีบางคำเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินหรอกแต่เรา พอฟังปุ๊บเนี่ยจิจตมันจะจำพอจิตมันจํำปุ๊บวลาหลังไปอ่านหนังสือคนฟ้าเ อ, าเองได้คาบาลีสำคัญสําคัญก็มีพวกขันห้าเนี่ยขันห้ารูปนามดีวอนเนี่ยแล้วก็ปฏิจจสมบูรบาทอาริยสัจสี่เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมักมีองค์แปดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้ยินบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปค้นฟ้าเอาเพราะไปธรรมะข้อสําคัญสําคัญทั้งนั้นเราตั้งใจฟังเนี่ยเราเกิดประโยชน์ได้ที่สง่งทันที เพราะเราอาจจะได้ยินได้ฟังมาบางครั้งเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังนะแต่ถ้าเกิดเราได้ยินได้ฟังบ่อยเนี่ยมันก็ได้ความรู้กับเราถ้าเกิดปัญญาได้ไอ้ส่งข้อที่สองเนี่ยบางครั้งเราได้ยินได้ฟังแล้วแต่ถ้าเราเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นอย่างบางทีพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยผู้ฟังเนี่ยอาจจะฟังคนที่เข้าใจแต่แต่มาฟังอาจารย์อีกคนนึงอาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าฟังหลายๆครั้งเนี่ยเรื่องเข้าใจอย่าชัดยิ่งขึ้นอย่างเมื่อเย็นเนี่ยก็ได้เปิดสื่อของาาอาจารย์เผยสารอาจารย์เผยสานก็จะพูดเรื่องว่าคนเราเนี่ยเวลาเพื่อนทุกข์เราสามารถไปปลอบใจเขาได้เมื่อจะเป็นเพื่อนอกหักเงินสูญหายหรือสูญเสียคนรักคนรับถือเราสามารถไปปลอบใจเขาได้ แต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะทำไงเพราะส่วนมากเนี่ยเวลาพูดเราพูดได้่ะแต่เวลาทํามันทํายากจากประสบการณ์ของเาที่มาที่สั่งสมมาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเรื่องคนอื่นเนี่ยเรามองเป็นเรื่องเส้นผมบางขุ่นเขาเลยแต่เกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยเราก็โดดมือนไนแหละอย่างบางทีเราไปพูดเรื่องความแบบปล่อยวางปล่อยวางเราก็ปล่อยวางได้ว่าคนที่ตายคนที่เสียบางทีเราไม่รู้จักเลยอันนี้ทําใจง่าย ของที่หายก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยปล่อยวางได้แต่ถ้าเกิดขึ้นกับเราเองเลยทาไงอันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันเกิดพ่อแม่เราตายคนรักตายลูกตา ย, ตายคนที่เรารักมากเนี่ยบางทีเราก็สอนพูอื่นได้ว่าอย่าร้องไห้เลยอย่าเสียใจยเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรๆก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางทีอาจจะร้องไห้หรือเป็นลมไ ป, ไปก็ได้เรื่องนี้เห็นม า, มากนะ บางทีเราเห็นพระสอนคนอื่นบอกปล่อยวางปล่อยวางเวลาเกิดขึ้นตัวเองเนี่ยบางทีก็ร้องไห้ตีโพดีพายก็มีเพราะสี่ั้ำคายเราก็ต้องต้องฝึกฝนน่ะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทำง่ายๆต้องฝึกฝนให้ก่อนก็ต้องมาเจอสติแหละสร้างความรู้สึกตัวถ้าไม่ฝึกจิตมันก็ไม่เป็นเพราะความรู้ที่เราได้เนี่ยเป็นความรู้คนอื่นมีแต่ความรู้เราเองความรู้จากตาราเนี่ยเป็นความรู้ของผู้ทีเจ้าความรู้จากครูบาอาจารย์ซึ่งดับทุกครูบาอาจารย์ได้แต่ดับพุกเราไม่ได้นะ แล้วเราก็ต้องฝึกให้มีปัญญาแล้วก็มีความรู้เราเองอันนี้ถึงระดับทุกข์เราได้เพราะว่าความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งของเราเองเนี่ยบางทปงงงีปรุงแต่งเรื่องนู้นปรุงแต่งเรื่องนี้บางทีปรุงแต่งเรื่องอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคตคือจิตเนี่ยไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เลยบางครั้งเราก็หวนแบบถ้าเสียใจกับเรื่องอดีต ก็จะสูญเสียอนาคตถ้าวิตกกังวลกับอนาคตก็ทําให้สูญเสียปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเพราะว่าคนเราเนี่ยจิตไม่แปอดีตก็อนาคตนะบางคนเนี่ยเราสามารถเช็คได้เวลาคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่รู้จักเนี่ยถ้าคนไหนชอบคูยเรื่องอดีตแล้วบ้างเนี่ยคนนั้นมีปัญหานะจิตไม่เข้าอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าคนที่ฝึกสติเนี่ยจะไม่คุยเรื่องอดีต อดีตผ่านไปแล้วไม่อาจหวนกลับมาได้เหมือนความฝันส่วนไม่จะคุยเรื่องปัจจุบันมากกว่าหรือสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าบางทีเราพูดฟุ้งซ่านพุกเพอ้อเจอ้อก็เสียพลังงานไปทั้นการฟังคำยิมีประโยชน์ตรงเนี้ทําให้เราเข้าใจและแจ่มชัดยิ่งขึ้นไอน้ส่งข้อที่สามบรรเทาความสงสัยเพราะคนเราจะาขี้สงสัยสงสัยทุกเรื่องอย่างสมัยอาตมาบวชเป็นไบมันก็สงสัยนะ พอทีเ่เราอ่านหนังสือว่าฟังทำนองครูบาอาจารย์มากเราก็สงสัยเรื่องนู้เรื่องนี้แต่พอเรามาเจอสติเนี่ยมาฝึกมาฝึกฝนเนี่ยถ้าเราเห็นความคิดได้สักแว๊กนึงเนี่ยความสงสัยต่างๆของเราเนี่ยจะน้อยลงแล้วเห็นความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตเนี่ยตอนเป็นเผลอหรือตัวรักคิดเนี่ยแต่เราไม่เห็นมันนะต่อให้เอ่านหนังสือตลอดชีวิตฟังครูบาอาจารย์พูดตลอดชีวิตเราก็เต็มไปได้วยความสงสยัย เพราะว่าเราอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเราอยู่กับโลกความคิดคนที่ไม่เคยเห็นความคิดเลยเนี่ยต่อให้อาจารย์เก่งแค่ไหนไปพูดกอกหูก็ยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าคนเห็นความคิดแล้วเนี่ยเขาจะเข้าเข้าใจตัวเองยิ่งขึ้นจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักกิเลสความโลภความโกรธความหลงความขี้ฉาลิษยาความคิดเปรียบเทียบอารมณ์ต่างๆ คือเริ่มรู้จักตัวเองโดยธรรมชาติแล้วคนเราเนี่ยจะไม่มีใครดีหมดอะมันต้องมีนิสัยไม่ดีอยู่บ้างอะไม่มากก็น้อยแต่เราไม่เห็นกิเลสมันจะเข้าข้างตัวเองบอกเราเป็นคนดีนะคือกิเลสมันฉลาดมันจะหลอกตัวเองว่าเราเป็นคนดีคนอื่นเลวคือเอาความดีเข้าตัวบาที่เราความไม่ดีโยนให้คนอื่นก็ได้หรือโทษสิ่งอื่นนั่นแหละโทษโทษสิ่งแวดล้อมโทษนู่นโทษนี่โทษคนโน้นโทษคนนี้ไปเรื่อยละ บางทีเราไม่ค่อยมองฟวาผิดเราเองหรอกถ้าเราไม่เรียนธรรมะนะไม่ฝึกจิตนะแต่เราฝึกจิตเนี่ยเราจะเริ่มรู้เลยเอ๊ะเรานี่อิจฉาเขาแล้วเนี่ยเทียบเทียบหรือหึงหวงหรือโกรธหรือโลภอารมณ์ต่างๆที่จอนเข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักถึงเผลอไปบ้าง ก, ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลุดออกมาได้แต่ถ้าคนไม่รู้นี่ก็จมไปพวกอารมณ์พวกนี้จมแล้วออกไม่ได้ ก็จะจ ะ, จะกลายเป็นคนที่ทําตามใจตัวเองไม่รู้บาปบุญคุณโทษเพราะบาปบุญคุณโทษเนี่ยเราจะรู้จริงก็แต่เมื่อเรา เ, เราเนี่ยเห็นโทษออกมาจริงรู้ว่าสิ่งที่ทําชั่วเนี่ยจะได้ผลชั่วจริ ง, รงทําดีได้นิสงจริงเพราะบุญบาปเนี่ยเกิดขึ้นได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอตอนตายรกสวรรค์อยู่ที่จิตใจคือถ้าเราจิตใจให้เป็นบุญเกุศลเนี่ยเราทำความดีเนี่ยจิตเราจะมีกําลัง จะมีความสุ ข, ขทันทีแต่ถ้าเราคิดร้ายคิดอกุศลเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยหรือเห็นแค่ตัวเนี่ยเราจะเป็นคนทุกข์แล้วเราบุกขี้ระแวงเพื่อนก็ไม่รักด้วยแต่เราใครเป็นคนลำคนดีไม่เห็นแค่ตัวชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นก็นส่วนรวมเนี่ยเพื่อนก็นจะรักสังเกตได้นี้ได้ที่สุขทันทีเลยไปไหนก็เข้าหน้าเพื่อนสนิทไม่ต้องไปแอบคือแบบอ่านหาร คือบ้านใจตัวเองว่าเราไม่ทําอะไรผิดแต่คนที่มีความผิดต้องหนีหนีเสมอมีเชิงรักติดหลังต้องหลบหลีกจกังบูคันะหนีคนรู้กูหนีค น, ค, นหนคนนี้กลัวเขาเปิดแผลอันนี้เราสังเกตได้ง่ายมากอตัวนี้มันมีมีกรรมอยู่ถ้าคนทาําความดีเนี่ยเข้ากลุ่มไหนก็เข้าไปอ่านหารา่าไม่เราไม่กลัวเราไม่มีความผิด ค, คือว่าสามารถคือบ้านใจตัวเองมาก น, นการฟังธรรมเนี่ยจะช่วยบรรเทาความสงสัยลงได้ สงสัยในเรื่องต่างๆเพราะว่าโดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้ชนหรือคนธรรมดาจะสงสัยหมดละสงสัยเรื่องโน้นสงสัยเรื่องนี้พราะสงสัยอะมากเนี่ยมันก็ทําให้ฟุ้งซ่านพอมันปลุกจังเรื่องสงสัยปุ๊บถ้าเรามาบีสติรู้ทันความคิดนะความสงสัยก็ดับไปแล้วก็ไม่สงสัยแล้วไม่ต้องหาเหตุหาผลอย่างหลวงพ่อเฉียนชอบ่อยลูกซื่อ ซึ่อันนี้มีที่2องทันทีเลยรู้ซื่อเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นอะไรก็อะไรนะเพราะถ้าเกิดเราเรารู้ไม่ซื่อนะเราก็จะเป็นอย่างวุ้นเป็นอย่างนี้ตามที่ความคิดปรุงแต่งปรุงอั่นแหละพอเข้าไปเป็นปุ๊บก็เหมือนเราอยู่ในโรงหนังอ ย, อยู่ในหนังอั่นแหละเล่นตามบทที่ความคิดปรุงแต่งจัดให้รับทุกบทบทโศกบทเศร้าบทดีใจบทเสียใจทุกเรื่องคือเรื่องจริงหมด แต่ส่วนใหญ่มักจะทุกข์นะฮะจบด้วยความเศร้ามากกว่าดีความคิดปรุงแต่งเพราะส่วนมากเป็นวิบากกรรมของเราจะสั่งสมเอาไว้บางคนเราเนี่ยจะมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันเราก็จะสั่งสมกิเลสไม่เหมือนกันบางคนติดติดติดนี่ไม่เหมือนกันนะฮะบางคนติดติดอย่างนี้อีกคนหนไม่ติดก็ได้สิ่งของต่างอาจจะมีค่าสำหรับคนนี้แต่อีกคนนึงอาจจะไร้ค่าก็ได้ เพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันอย่างเพลงเนี่ยอย่างเพลงเนี่ยเพลงที่นักร้องระดังร้องเนี่ยมันเขาอีกคนหนึ่งไม่ชอบเนี่ยให้ฟรีเขาจะไม่เอาเลยแต่มาให้อีกคนที่เขาชอบเนี่ยบางทีบางทีแพงเขาก็ซื้อหนังก็เหมือนกันฉะนั้นคุณค่าคุณค่าของขอ ง, ของเนี่ยจึงอยู่ที่ว่าของนั้นจะอยู่กับใครรถก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นรถ เป็นมือถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณค่าของอยู่ที่คนคนชอบอย่าพักเครื่องเนี่ยบางคนเนี่ยชอบแย่าองค์สิบล้านเขาก็เล่นแต่ บ, บางคนเนี่ยเขาไม่ชอบเนี่ยองค์ละร้อยเพียงเมือเลยเพราะว่ามันอยู่ที่อยู่ที่คนชอบให้ค่าตีให้ค่าให้ค่ามากค่าน้อยถ้าเราไม่ไปเรียนธรรมะไม่ไปเจอสติเนี่ยเราก็จะค่าสินของต่างเกินวามันจริง น, นี่คือโลกธรรมและการฟังธรรมเนี่ยจะมีนิสง์ข้อที่สี่ก็คือทําความเหตุให้ตรงความเหตุให้ตรงก็คือทําให้จิตรู้จักว่าอันไหนเป็นเป็นกุศลอันไหนเป็นกุศลแล้ววางใจยังไงเพราะบางคนก็ไม่เชื่อนะว่าชาติหน้ามีบางคนหลายเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ก็ได้มรรคผลนิพพานก็ไม่มีบุญบาปไม่มีกรรมเวรไม่มี คือบาเชื่องี้ก็มีนะพอเชื่องี้ปุ๊บจิตมันก็เห่งกันตัวมาแชา่ในหลังกรอบกลวไว้ก่อนหลังโกหกหลอกลวงต้มตุน๋นเพื่อผลปโยชน์ตัวเองคือมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาแต่ถ้าเราฟังธรรมเนี่ยแล้วเข้าใจตัวนี้นะเราก็จะวางใจเป็นอันมาจะเล่าเรื่อง ข, ของหลวงปู่อยู่ลูกหนึ่งที่จะไหวอุดรคือหลวงปู่หรือเนาะ บางคนอาจจะเคยฟังธรรมาพูดไปแล้วก็ได้แต่ธรรมาเห็นว่าในนี้นพระใหม่หลายหลายท่านและญาติโยมที่มาใหม่หลายหลายคนอาจจะไม่เคยฟังธรรมาพูดอาจจะอาจอาจะเกิดประโยชน์ก็ได้หลวงปู่ดีดะจะเป็นพระที่อยู่ในยุค ข, ของสมัยท่านเกิด2 24-3 สมัยนูน้นท่านเมเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุดรคือท่านจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี แล้วก็มีความสุขมากต่อชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะพูดชอบพูดว่าดีเนาะดีเนาะอย่างยกตัวอย่างอย่างมีอย่างมีเรื่องหนึ่งตอนที่ท่านรับกิจที่มลจะไปฉันอาหารเพลนที่บ้านของลูกศิษย์ที่นับถือท่านรู้สึกวันนั้นลูกศิษย์เนี่ยก็มาในเช้าแหละแต่เพลรถเป็นเสียหลวงปู่ดีเนาะก็ท่านก็รออยู่อะรอเอ๊ะ เาภาพยังไม่มารับเลยทีหลวงปู่ก็คงไม่ได้ไปแล้งงานนี้ก็เลยเตรียมอาหารมาฉันพอฉันไม่ได้ไม่กี่คำลูกศิษย์ก็โผล่มาท่านก็ไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะท่านก็ว่าคิดในใจก็เลยไม่ฉันเลิกฉันเพราะลูกศิษย์ก็รีบด้วยก็ขึ้นรถไปสักพักหนึ่งรถเจ้ากรรมก็ได้มาเสียอีกระหว่างทางหลวงปู่ก็ต้องรอ รอรอโชอเฟอร์ซ่อมรถหลวงปูก่ก็บอกว่าก็ดีเนาะเราจะได้ชมอยู่ข้างทางพอซ่อมเสร็จโชเฟอร์ก็บอกให้หลวงปู่ช่วยเข็นด้วยเพราะรถไม่ติดหลวงปู่ดีนอกก็มาช่วยเข็นทั้งที่หลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปู่ดีนอก็บอกว่าก็ดีเนาะเราจะได้ออกกําลังกายผมสุดท้ายไปบ้านงานเลยเพลง หลวงปู่หลวงปู่ดิเลยอดฉันเลย ฉ, ฉันเช้าก็มีคําเพนก็อดฉันหลวงปู่ดิโน่ ก, ก็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทํางาน ท, าทันทีท่านขึ้นธรรมะเทศเลยระหว่างที่เทศอยู่ลูกศิษย์ก็ไปชงกาแฟมาให้หลวงปู่ด้วยความรีบร้อนไปหยิบกระปุกผิดจากน้ําตาลไปหยิบกระปุกเกลือแทนก็เล้วเกลือใส่เข้าไปหลวงปู่ฉันฉันแล้วหลวงปู่ก็ไม่ว่าละก็ดีเนาะ เราฉันกาแฟหวานมากๆแล้วฉันกาแฟกเค็มบ้างลูกศิษย์เนี่ยพอเห็นหลวงปู่วางกาแฟสักพักหนึ่งลูกศิษย์ก็มาขอขอขอขอขอกินบ้างเพราะว่าเขาถือว่าการที่เราได้ทานของครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นมงคลก็เลยเลยดื่มเข้าไปพอดื่มเข้าไปก็พ่นพวดออกมาเลยบอกหลวงปู่ฉันไม่ได้ไงเนี่ยเค็มบิดปี่เลยหลวงปู่ก็หัวเราะชอบใจ ก็บอกก็ดีเนาะคือท่านจะดีเนาะหมดอหะแล้วมีอยู่ครั้งหนึง่งด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นพระที่มีชื่อเสียงท่านเป็นเจ้าคุพน้วยนะก็ไปที่หมายตาของโจรอยู่รูปโจรอยู่คนหนึ่งโจรคนเนี้ยส่วนมากจะป้นคาเจ้าทรัพย์ส่วนมากเนี่ยโหดเยี่ยมมากวันหนึ่งขนาดที่หลวงปู่ดีเนาะ อ, อยู่ที่กุฏิไหวพระสวดมนต์เสร็จโจรแล้วเข้ามาบอก หยุดนี่การป้นมีของมีค่าส่งมาให้หมดจนถึงปืนไปด้วยหลวงปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะค่าจะได้ไม่ต้องเฝ้าสมบัติว่าบ้านนี้ทีเฝ้ามั่งนานแล้วเป็นทุกข์เองเข้าไปได้ค่าจะได้สบายโจนมันก็บอกว่าไม่ได้แค่ป้อนอย่างเดียวนะต้องข่าเจ้าทรัพย์ด้วยต้องข่าหลวงปู่ด้วยปิดปากเดี๋ยวบอกตำรวจหลวงปู่ที่นอ ก, ก็บอกว่าก็ดีเนาะค่าเองก็แก่มากแล้ว สังขารก็ซูดโสมลงทุกวันทุกวันเองก็าค่าค่าก็ดีเหมือนกันโจรก็บอกค่าจะดีเนาะจะดีค่าก็ดียังดีเนาะอีกเหรอโจรก็รู้สึกว่าหลวงปู่นี่ไม่เอาไหวเลยก็เลยเปลี่ยนใจบอกแทงงั้นไม่ค่าก็ได้หลวงปู่ก็บอกว่าไม่ค่าก็ดีเนาะโจรก็บอกว่าอะไรค่าก็ดีไม่ค่าก็ดีจะเอาไงกันแน่หลวงปู่หลวงปู่แล้วก็บอกว่าถ้าเองค่าค่าเนี่ยเองก็ต้อง ถูกตำรวจตามจับหรือถูกตามฆ่าติดคุกติดตารางตายไปเองก็ตกตะลกหมกไหมอีกซึ่งโจนก็ได้ยินคําว่าตกตะลกถุหลวงปู่ขูเนี่ก็กลักกลลวเขาบอกถ้างั้นถ้างั้นไม่ไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ปล้นก็ได้คือโจนโจนได้สํานึกและภายหลังโจนคนนี้ก็ไป ม, มอบตัวตํารวจพอพ้นโทษมาก็มาบวชกับหลวงปู่ ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมจนตลอดชีวิตคือสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้การมองร่นแง่ดีของหลวงปู่แล้วก็มีหลายเรื่องคือหลวงปู่ดิโนเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินบิดาบาดแล้วเด็กเฟียงก้อนหินใส่กันเนี่ยเปรื่นก้อนหินเนี่ยดันมาโดนโดนหัวหลวงปู่ระหว่างแถวหว่างคิ้วอะจนคิวแตกเลือดไหล พวกโยมแถวนั้นก็รีบ ม, มาทําแผลหลวงปู่แล้วก็ ด, าดก่าเด็กหลวงปู่ดีนอตบอกว่าก็ดีนะที่ไม่โดนตาตามให้บอดหลวงปู่ดีนอตท่านมองโลกในง่าดีเกิด อ, อะไรขึ้นกับท่านอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆท่านมองดีหมดเลยไ ม, ไม่มีมองร้ายเลยขนาดท่านตกรถไฟอ่ะนั่งรถไฟไม่ทันเนี่ยตอนนั้นท่านไปกรุงเทพจะต้องกลับอุดอรเพออไปเลยเวลารถไฟไปแล้ว หลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะจะได้อยู่กรุงเทพอีกวันหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ที่ไปด้วยอะลูกศิษย์ก็เซ็งอะแต่ละคนทุกค น, นเลยหลวงปู่ไม่ทุกและอีกวันหนึ่งท่านก็นั่งรถไฟแทนท่านก็บอกดีเนาะจะได้กลับบ้านเราหลวงปู่ดีนอนเนี่ยเป็นที่ท่านได้ฉายาดีนอนเนี่ยเป็นฉาย า, ยายในหลวงตั้งให้นะเพราะในหลวงเคยเสด็จไปที่วัดที่ท่านอยู่คือวัดมัชชิมาวาร์จอยุดอนคือท่านจะพูด กับในหลวงว่าคือผู้ทํามองว่าดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงตอนแรกโยมก็ไม่ให้หลวงปู่พูดว่ากลัวหลวงปู่พูดแต่ดีเนาะดีเนาะเนี่ยจนในหลวงเสด็จไปถึงรู้สึกว่าหลวงปู่ไม่พูดอะไรเลยก็ให้คนผู้อิสานให้ผู้อิสานกบหลวงปู่บอกให้ให้พูดกับในหลวงในหลวงบอกดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงเขาย่านไม่ให้เขาพูด ได้หลวงก็เตั้งฉายายให้หลวงปู่เนี่ยพระวิสุทธาทาจารย์สาธุอุทานธรรมะวาทีก็คือดีเนาะคือเปเจ้าคุณอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ถ้าถ้าใครทำตาแบบหลวงปู่หรือเนาะได้นเนี่ยเราก็สามารถปลดทุกข์ไปได้มากเลยในชีวิตประจำวันใครทำอะไรไม่ดีเราก็บอกพอดีเนาะใครทำให้เราขัดใจเราหรือเรารอใครรอนัดอะไรแล้วเนี่ยผิดตามนัดผิดนัด ไม่แดงใจเราเราก็ดีเนาะชีวิตเราี่จะปดเปลื้องอะไรบางอย่างมาเยอะเลยอะไรไม่ถูกใจเราไม่สมหวังแล้วบอกดีเนาะคือวิธีของหลวงปู่ดิโน่เนี่ยสามารถใช้ได้กับชีวิตประจำวันใช้ได้ทุกคนอย่างอาตมาก็เาจะใช้อยู่ทุกวันนี้บางเรื่องเนี่ยอาตมาจะโดนขัดใจก็มีเพราะทุกคนไม่สามารถตามใจเราได้หรอกแต่และคนยังตามใจตัวเองไม่ได้เลยเราก็สมหวังว้างไม่สมหวังบ้าง คนก็ชมเราก็ด่าเราเราอันนี้เราแก้เราไม่สามารถให้คนอื่นชมเรารักเราได้หมดหรอกไม่มีใครทําได้ด้วยไอยที่ไม่ชอบเราก็ด่าเราไอที่ชอบก็ชมเราไอที่แบ่งกลางก็เฉยเฉยอันนี้เกิดกับทุกคนนะฮะไม่มีใครไม่โดนด่าไม่มีใครไม่โดนดินทาอันดินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนลอยมีดที่กีดหินแม่องค์ปฏิมายังมีลาคิน คนเดอดีเหลือสิ้นคำนินทาอันนี้สุนย์ศูนยทวันูดแต่งก้อนไว้โดยทุกคนนะในวัดนี้บอกได้เลยคนนี้ไม่โดนนินทาไม่มีะหลวงพ่อเขียก็โดนหลวงพ่อเทียงก็โดนฮะคนที่ชอบก็นับถือเป็นพระอริยะคนไม่ชอบก็ด่าพวกครูบาอจาจะโดนด่าทุกคนแหละจากคนที่ไม่ชอบแต่แต่คนสารเสริญคนที่นับถือก็จะชอบก็จะชื่นชมนนัการทำความเห็เหตรงเลยจึงสําคัญ คามเห็นใตรงก็คือวางใจให้เป็นเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาไม่ตีโพธิพายเพราะคนเราเนี่ยโดยมากแล้วมักจตีโพธิพายเวลาเกิดทุกข์หรือเกิดปัญหาขึ้นคือขาดสติบที่ตั้งจิตไว้ผิดก็มีอย่าให้เป็นดังเทื่อวใจเราคิดเดินเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะธรรมชาติเดี๋ยธรรมชาติไม่เคยตามใจเราเลยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ร้อนเกินไปบางทีเราไม่อยากให้ฝนตกฝนก็ตกทั้งวันตากผ้าไม่แห้งก็มีหรือบางทีเราอยากให้อากาศอบอุ่นมันก็ดันหนาวบางทีก็มีแมลงมากลัวเราก็มีเช่นแมงเม่ามดยุงสัตว์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่เหตุการณ์เหมือนกันนะอันนี้เราบางครั้งเนี่ยต้องไปไ ป, ปตามสถานการณ์คือไม่เราไม่สามารถควบทุมต่างๆให้เป็นไปนตามใจเราได้เลยแต่ละวันเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอคนชอบหน้าเรา คนนี้เป็นเพื่อนเป็นมิตรมาเยี่ยมเยือนบางทีสัตว์คนที่เหม็นหน้าเราจะมากันยกทีมก็ได้ซึ่งเรื่องเรื่องนี้เราก็ต้องใช้วิชาแบบหลวงปู่หรือน้ะเนี่ยอะไรก็ดีเนาะดีเนาะก็ช่วยได้อยู่อันนี้คือที่สงข้อที่สี่ที่เห็นชัดเลยการวางใจให้เป็นทำให้หถูกต้องเชื่อบาปมีบุญมีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเทําะถ้ไม่ดีเนี่ยก็ต้องรับกรรม รักการในชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยอย่าคนขี้เหนียวเกิดชาติหน้าก็ต้องเป็นต้องยากจนเพราะเราสร้างความขี้เหนียวไว้แล้วจะ่ใครใจกว้างใจดีชาติหน้าก็อาจจะเกิดบัล่ํารวยเพราะคนที่ิขี้เหนียวเนี่ยจิตมันจะเห็นแก่ตัวใจจะแคบจะไม่แบ่งไปให้คนอื่นเลยเพราะสร้างเห็นแหงความยากจนไว้แล้วแต่คนที่ชอบให้คนอื่นเนี่ยสิ่งนั้นจะย้อนมาหาเราคือยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขนั่นก็วิ่งมาหาเราเราให้ความรักกับผู้อื่นความรักก็วิ่งมาหาเราเหมือนกันแต่เราให้ความเกลียดกับคนอื่นคนอื่นก็เกลียดเราเหมือนกันสิ่งนั้นจะสะท้อนคือว่ายิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่อยากยิ่งเข้ามาเพราะจิตมันมีขั้วบวกขั้วลบอันนี้เราสามารถสังเกตได้คนยิ่งอยากมากๆเนี่ยจะไปที่เอือมอนางคนอื่นคือมีธาตุอะไรบางอย่างเนี่ยจะผลักออก แต่ถ้าคนไม่อยากเนี่ยมักจะได้หลบพิสูจนได้เรื่องนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้แล้วอธนนิสงข้อที่ห้าจิตกับผู้ฟังเนี่ยฟังธรรมเนี่ยย่อมผ่องใสใครตั้งใจฟังเนี่ยถ้าตั้งใจฟังผู้พูดพูดอยู่นะขณะนั้นเนี่ยอคติจิตคือนิวร์ต่างๆเนี่ยจะกลับไม่เข้ามาเลยนิว ร, ร์ก็คือพวก การประชดคือการประชันท่แล้วก็พยาบาทความง่วงเหงาหานอนความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยมันไม่เข้ามาจะเป็นกุศลแทนเพราะจิทจะาา ต, ตจ ท, จที่เป็นกุศลเนี่ยเราจะสามารถแผ่เมตตาคนอื่นได้ตรงข้าจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนี่ยเปรียบเหมือนเรือเรือต่อให้ลําได้แค่ไหนนะสามารถรับก้อนหินได้ จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเหมือนเป็นบาปบาปเนี่ยเปรียบเหมือนก้อนหินแค่เราเหวี่ยงโยนลงน้ําเนี่ยก้อนเดียวก็จมน้ํำ แ, แล้วแต่บุญเนี่ยเปียบเหมือนเรือสามารถรับก้อนหินได้เต็มลําเลยขนาดที่เราจะตายเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องอกุศลเนี่ยเพียงเรื่องใด เ, เรื่องหนึ่งเราสามารถตกกรกหรือไปทุคติได้เลยนะถ้าขนาดนั้นอกุศลทํางานเนี่ยแต่ถ้าเกิดอกุศลทํางานเนี่ยเราสามารถไปสุคติได้เลยเพราะอกุศลเนี่ยจึงสามารถ แบ่งปันให้คนอื่นได้เพราะว่าเบาแต่บาปแบ่งไม่ได้หรอกเข้าใกล้ใครเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วเพราะว่าหนักแล้วมีธาตุร้อนัง เ, เกตเี่ยคนที่ใจร้ายเนี่ยมีใครอยากเข้าใกล้หรอกแม้แต่สัตว์ก็ไม่อยากเข้ามาเล่นด้วยหรือคนก็ระแวงเพราะว่าเดี๋ยว้ยพูดไปดีพี่ถูหรือมันดา่าแล้วเดี๋ยวมันโกรธโธสาขึ้นอะไรเงี้ยแต่คนไหนที่ไม่ค่อยมีตัวนี้นะคนก็อยากเข้าใกล้คุยเล่นได้เลยได้คือฝ่าระแวงก็ไม่ค่อยมี มันคนมันตัวนี้ก็สำคัญนะเพราะคนเราเนี่ยสืส่อกันได้ด้วยธาตุบางทีอาจจะไม่ต้องบอกด้วยคำพูดหรอกเพราะจิตมันสัมผัสต่อกันได้มันจะผักออกถ้าคนไหนเป็นคนที่คนไว้ใจเนี่ยเขาก็อยากคบเป็นเพื่อนอยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วเข้าไม่ทุกมีความสุขคนไหนเนี่ยไอ้นี่ไม่น่าไว้วางใจเลยเข้าใกล้แล้วร้อนจิตมันจะผลักข อ, อนทีเลยเพราะคนเราจะเข้าใกล้คนที่เย็นไว้ก่อนโดยธรรมชาติ คือคนที่มีความทุกข์ไม่ใช่ขยะเข้าใกล้หรอกเขาใรรกล้แล้วเขาก็แบ่งความทุกข์ให้เราธรรมดาขยะเราก็เยอะอยู่แล้วเราไปรับขยะเขาไปอีกก็ยุ่งเลยอย่างอาจารย์กัพลเนี่ยอาจารย์กัมพลทองบุ น, นุ่มท่านเนี่ยเป็นคนพิการเดินไปไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเนี่ยท่านจะมีคนมาเนี่ยปรับทุกทุกวันเลยคือเอาเรื่องที่ตัวเองแบบเก็บกดมาระบายท่านฟังบางคนก็ไม่ได้สนใจมาฟังธรรมะอาจารย์กัพลนะ เหมือนกับว่ามามาระบายพอระบายแล้วก็สบายแต่ถ้าเกิดอาจารย์กพลเนี่ยไม่บระลุธรรมหรือเป็นแค่คนธรรมดาอะไรจะเกิดขึ้นคือเราก็จะขยะเต็มเหม็นเน่าไปหมดแหละเพราะเราความคิดคนอื่นเนี่ยมาเล่ยเราฟังเนี่ยเรื่องอุปศ น, นั้นเลยเรื่องไร้สาระก็มีอาจารย์ฮวยบอกท่านเนี่ยไปถังขยะกนลั่วเวลาใครพูดอะไรมาเนี่ย ขยะนี่ก็ออกไปตามโลกกระถากถ้าไม่เก็บเอาไว้ท่านก็เลยไม่เคยทุกข์แต่ถ้าเราเนี่ยเรายังไม่ถึงธรรมนี่นะใครมารล่าเราฟังเรื่ทุกข์เนี่ยเราฟังไม่เป็นเราก็ทุกข์ได้เดี๋ยวปุ่มแต่งตามบ้างธรรมดาเรื่องเราก็เยอะอยู่แล้วคนไม่รู้เรื่องนี้กันเยอะนะบางทีชอบไปจับกลุ่มดินทาหรือไม่คุยเรื่องไร้สาระบางทีเราไม่รู้บางทีเป็นดินทาครูบาอาจารย์ก็มีแต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านเห็นธรรมเนี่ยเราจะได้รับกรรมบันทีเลยจิบิลึกเสียงมาก เรื่องดินทาขูวาจาร์คือเราไม่รู้ได้เลยบางทีท่านอาจจะดูชงชางแต่ข้างในท่านอาจจะผ่องใสก็ได้หรือบางทีท่านอาจจะสงบเรียบร้อยแต่ข้างในเละเทะก็ได้คือไอตัวนี้ดูไม่ออกหรอกบางทีถ้าเราไปวิจารณ์ท่านเป็นดินทาท่านท่านไม่เป็นจริงเราพูดเนี่ยเราก็รับกรรมไปกรรมทางวาจาทำให้เราตกต่ําได้ เราจึงต้องหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้เหมือนกันยังมีชายอยู่คนหนึ่งชายคนนี้เป็นคนช่างติติได้ทุกเรื่องคือเกิดมาเพื่อติจุคนในหมู่บ้านเนี่ยยอมรับป่าตีเก่งที่สุดวันหนึ่งเขาเอาช่างปั้นพระพุทธรูปเนี่ยที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเนี่ยมาปั้นปั้นพระพุทธรูปสวยที่สุดแล้วก็เรียกไอ้หนุ่มคนนี้ยมา วิจาร์หน่อยชายช่างตีนี่ก็เห็นพูะรูปเห็นพระรูปปุ๊ปปปบก็บอกโอ้โหหายติไม่ได้เลยแต่ด้วยคามที่คนช่างติก็บอกว่าอะไรอะไรก็ดีหมดอ่ะเสียอย่างเดียวแหละพระพุทธรูปเนี่ยพูดไม่ได้แล้ ว, ลวอยู่มาวันนึงเนี่ยชายคนนี้เป็นนเป็นนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนมะม่วง ก็กำลังดกเลยชายคนนี้ก็นอนนอนฝันหวานแบบนั่งเล่นนอนเล่นเนี่ยปุกแตงว่าอพระเจ้านี่ช่า ง, งโง่เยจริงสร้างอะไรไม่รเรื่องดูอย่างดูอย่างแตงโมดิเป็นไม้เลื้อต้นนิดต้นก็ น, นิดเดียวแต่ลูกแตงโมใหญ่ยังกร บ, บาทพระแต่มะม่วงเนี่ยต้นเบลเลอร์เลยลูกนิดเดียวพระเจ้านี่ไม่ฉลาดเลย ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะสร้างให้มะม่วงต้นใหญ่ๆแตงโมูลูกเล็กๆระหว่างที่ฟุ้งซ่านอยู่นั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่หน้าร้อนลมก็แรงลมก็พัดมะม่วงลูกหนึ่งอะหล่นลงมาโดนกลางกลางหน้าผากของชายคนนี้ทันทีเลยอย่างแรงอ่ะคนช่างตีนี่ตกใจว่ากเขาเจ็บอะพอได้สติขึ้นมาก็บอกเอ้ยพระเจ้าสร้างถูกแล้วถ้าเกิดมะมว่วงโตใหญ่แบบ แตงโมหัวเราคงแหลกแล้วธรรมชาติเขาสมดุลอยู่แล้วแต่คนเราเนี่ยคนเราต้องการให้ธรรมชาติเป็นแรงใจเราเป็นไม่ได้หรอกคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องสูญเสียจากของรักของชอบใจจะต้องมีกรรมมีเวรเป็นของตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เายหลีกเลี่ยงพ้นซึ่งทุกคนต้องประสบ ประสบแน่นอนฉะนั้นเราต้องยอม่มรับธรรมชาติยอมรับเราจริงโลกธรรมเราจึงไม่ทุกข์สามารถอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขแต่เราเนี่ยอยากให้ธรรมชาติเป็นดังใจเราเนี่ยเราทุกข์แน่นอนเราไม่สามารถบังคับให้ร่างกายเราเนี่ยไม่แก่ได้เลยบางทีเราไม่เจอกันา น, านานเนี่ยเจอหน้าคนรู้จักเนี่ยเอาวิวะครบสามสองก็ถือว่ามีบุญแล้วโชคดีแล้วเพราบางทีก็ตายล้มหายตายจากมันก็มีเอาวิวะไม่ครบก็มี เกิดอุบัติเหตุต่างๆงั้นการที่เรามีร่างกายที่สมบูรณ์ก็ถือเป็นโชคดีแล้วถ้าวันไหนเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรคิดถึงมันงั้นเราจงพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ชีวิตเราจะไม่ทุกข์มาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาอธิสงการฟังธรรมก็เดี๋ยวท่องกรหนึ่งกรให้โยมฟังกร เป็นมนุษย์เป็นหรือเป็นคนของหลวงหลวงหลวงพ่อพุทธทาสเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษยษาพอพูดถูกทำถูกทุกเวลา เป็นบีดาคืนวันสุขสร์จริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเล่าใครมีข้าวกลัวรเรียกว่าผีสิงพ่อพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยขอฝ่าสุขความเจริญจงมีแกทุกท่านสาธุ